ความรู้ความตลาดด้วยความเห็นความเป็นของผู้แสดงเราก็ติดตามว่าท่านแสดงนี้มีความเฉียดสีเราอย่างไรมีความยกยอเราอย่างไรเราประพฤติได้ตามเรื่องของท่านแสดงหรือไม่เราส่งกําหนดไปตามคาแนะนําคําสอนของท่านเทียบทำที่ท่านแสดงไปใส่ใจของเราเทียบทำที่ท่านแสดงไป มาตรวจดูใจของเราถ้าหากเราตรวจดูก็รู้ก็เข้าใจเรื่องความศิกในตัวของเรารู้เข้าใจเรื่องความถูกที่เรากระทำบําเพ็ญมาเมื่อรู้ในทางดูศิตเราก็มีเวลาที่จะกําลักที่จะตัาสางที่จะล้างเรื่องความศิกออกจากตัวไปได้รู้เรื่องของความถูกเราก็จะบํารุงความถูกในจิตในใจของเราให้เท่ามีคูณขึ้นไปนี่เลยชื่อว่าเป็นทางที่ พระพุทธเาจา้าแนะสอนให้แนะนำสอนอย่างนี้ให้รู้ตัวคลองตัวไม่ต้องไปรู้อันอื่นถ้ารู้อันอื่นรู้เส้นหมืน่นเส้นแสนก็ไม่มาขัดเตาสิเหล็ดของเราให้เบาบางไปดัถ้ารู้ตัวของเราคิดมันเกิดขึ้นจากที่ไหนถูกมันเกิดขึ้นจากที่ไหนอะไรเป็นของที่แถลงใจจิตใจใจของเราไม่ให้เราได้รับความสงบเยือดเกลยนหรืออะไรทําลงไป บำเพ็ญลงไปได้รับความสงบสุขเมื่อเรารู้อย่างนั้นเราก็จะมีถนนทนทางเข้าไปสู่ความสงบสบายได้หลีกเลี่ยงเรื่องของความเครียดาเสียหายให้ห่างไปเกิดนั้นการฟังธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าซึงเป็นของจำเป็นที่ทุกท่านทุกคนจะต้องสะดับรับฟังเพื่อเอาธรรมเข้าไปวัดจิตใจของตน ว่าเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างไรก่อนที่เราไม่เคยเข้าวัดเขาวังไม่เคยจําศีลภาวนาอยู่บ้านอยู่ท่องของเราเราคิดเราปรุงไปอย่างนั้นอย่างแล้วได้สาระประโยชน์จากการปรุงการแต่งอย่างไรจิตใจของเราเบาบางจากที่เกิดตัญหาหรือไม่เมื่อเข้าวัดเาวังได้เจริญภาวนารักษาศีลให่ทานจิตใจของเราเบิกบานหรือแย่หาอย่างไรเมื่อมัน เสีหายเสียหายเพราะการให้การรักษาศีลหรือการบำเพ็ญภาวนาหรือมันเสียหายมาจากเรื่องอันอื่นก็ให้ทีนี้ที่เรณาดูเมื่อบคุคคลผู้ใดตรวจเรื่องของจิตของตนสม่ำเสมออยู่อย่างนั้นไม่ว่าเวลาใดการใดจะรู้เรื่องของความชั่วและความดีมีอยู่ในตัวน้อยหรือมากเท่าไรก็จะเข้าใจกันเมื่อ รู้เรื่องเหล่านั้นปัจจุบันของเราถชะเราอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในความสงบสงัดอยู่ในความรู้ความฉลาดเราตายไปเราจะเป็นอะไรรู้เข้าใจพบชาติของตนไปต่อไปถามคนอื่นเราจะไปนรกหรือไปสวรรค์เราจะไปอย่างไรกันเมื่อเวลาเราตายไปแต่เรายังมีจิตเมีใจยังไม่ตายยังไม่รู้ ถาหาเราเลยรู้เราก็ไม่กําหนดภพชาติของเราที่จะไปไมดยย้เหมือ น, นกันเหตุนั้นผู้ที่ปฏพเสธธ ร, รผู้ที่ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจไปจากชัดเจนเห็นแจ้งในตนจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดเป็นเทพประวุฒิเทพธิดาอินทร์พรหมหรือพ้อนไปจากกิเลสตัณหาถ้ารู้ท่านเข้าใจในตัวของท่านสม่ําเสมอไม่มีวันมีเวลาที่จะหลงไปคนที่หลงว่าจะไปเกิดที่ไหน จะได้เกิดเป็นอะไรก็เพราะไม่สุขใจทั้งตนก็คือเอารมณ์สัญญาที่เราคิดอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นอารมณ์อะไรสัตว์มันคิดได้หรือไม่คิดอย่างเราถ้ า, าเราคิดไปยี่ันอย่างของสัตว์เราควจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าาที่เหลือตัณหามานที่ติเผาจิตเผาใจของเราเราล่าร้อนไม่มีวันในเวลาสะดวกสบายจิตของเรากรังวลกวายเพราะความลงแตกเรื่องต่างๆ ก็ได้ชื่อว่าไฟนรกเผาเราเราจากล่างไปเมื่อใดเราก็จะเสดไปสู่นรกหมกไหมได้รับทุกอย่างปัจจุบันจิตจิตของเราครงอยู่อย่างนี้ให้เราลิกเลิกอยู่อย่างนี้ถ้าเราลุ่นเริงบันเทิงในความจะทําบบำเพ็ญของตนในการแถ่ฌานในการรักษาศีลในการเจริญเนี่ยตาเพาวนานก็ให้พึงคือว่าจิตใจของเราลุ่นเริงบันเทิงมี ความสุขความสบายเราไปพบหน้าชาติหน้าเราก็จะมีความสุขความสบายที่ไหนเป็นที่อยู่ที่อาศัยเพราะเราตรวจเรื่องท้องใจของเราจะรู้ว่าเราอยู่กับพบกับชาติอะไรมีการสวจจิตสวจใจโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ตรวจไม่ได้คำนึงคำนวณ ว, ว่ามันเป็นอย่างไรต่อย่างไรปล่อยมันไปอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีวันที่จะให้มันฝาด บ, บกเข้ามาเลยหายหน้าหายตา ส่วนอื่นนี่จะเรื่องที่เลียนการหาพอกคูนขึ้นทุกวันทุกเวลาไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นช่องทางที่จะรั่วไหลความสวดท้าเสียหายต่างๆอย่างนั้นเศษนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงเห็นน้อมเข้ามาสู่ตัวฟองตัวถ้าท่านประพฤติอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงเต็มไปเถึงความสุขกายสุขใจท่านจึงได้เป็น พระบุตเทศพระธิดาอินทรมยมยักษ์ท่านพระพิษปฏิบัติอย่างไรท่านจึงมีจิตใจถามพลนไปจากอาสวะชีเลั้งหลังก็ให้ค ำ, ำนึงคำนวณทำนั้นน้อมเข้ามาสู่ใจท้องตนเมื่อตอนท้องตอนคิดก็จะไดบุกจิตเข้ามาหาทางที่ถูกคนที่ไม่รู้จักทางจะไม่ถามใครใจะไม่พิดเจรนาว่าทางนี้มันเข้าป่าหรือไปบ้าน ก็เึ้นถนนทางเดินตามไปตามไปอย่างนั้นผลที่สุดที่ไห่ถามคนหรือไม่สังเกตเจตการมาทางเข้าบ้านหรือเข้าป่าก็เลยไปงงไปหลงอยู่ในป่าอาหารการกินของตนก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่มีข้าหามีเสือมีสัตว์ป่าที่ดุร้ายคนนั้นจะต้องตายในป่าเจตเนี่ยเรื่องการไม่พิจิารนะเรื่องการที่ไหนกําหนดอีกําหนดใจของตนเป็นอย่างนั้น ปล่อยวันปล่อยคืนปล่อยคุณงาความดีให้เสียหายไปผลคือจุดจุดตาปเปล่าวชาตินี้บอกสาวาสารหนากว่าเปล่ า, า, า, ลาไม่มีวันมีเวลาสิเลยครับความสุขความสบายทางกายทางจิตเพราะเหอตุจิตตนเป็นคนประมาทเหมือนเคยไม่ได้คิดนึกแยนะทางสั้วทางดีเป็นอย่างไรทำคำสั่งสอนความพู้ให้เก่าจิตทางสอนไว้ไม่ไม่นำมาคิดนึกคาาิดนาสอนใจของตน เรื่องเราทุกคนตื่นตาตื่นใจในขนาด นะโมตัสสะวัสอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสวัสดอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสวสรัตมมาสัมพุทะะโตัสวสอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขปุญญาตอุเชโยติ ทิมา ต, ตัมมะปริยาตัตโตตัทายัตมันเทหิตาเกจังมโมโธกมุโสตโพจิวันนี้เป็นวันมหาปวารณาที่องค์สมเน็จพระศาสด า, าสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระทิ่สุสามนเณนีที่จำพรรษา มาตลอดสามเดือนออกพรรษาพวกเราเราพุทธศาะนิกชนต่างคนต่างก็มาไปชุมทำบุญกันตอนเช้าก็มีการการถวายอาหารบิณฑบาตขั้นตอนเย็นมาก็ได้พากันเข้ามาไหว้พระสวดมนต์สมทานศีลตามกำลังของตน นิธรรมตามอย่างอยากจะสะดับรับฟังคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการสระดับรับฟังคาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้องค์ส้มเดชสินาสีสามาสามพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นมงคลแต่การหนึ่งอย่างทื่ว่าตเดนะธรรมะสาวนังอตัมังคลมุตตะมังการฟังคำตามการตามสมัยเป็นมงคล อันสูงสุดประการหนึ่งดังนี้วันนี้ก็เป็นการเป็นสมัยอันหนึ่งซึ่งพวกเราเ่าท่านทั้งหลายถือว่าเป็นวันออกพรรษาหรือวันตภาวนาวันออกพรรษาก็หมายความว่าการที่สุสามเณรออกพรรษาวันตภารณากหมายความว้างออกไปอีกคําว่าตภาวนานั้นถ้าหากเราจะพิจารณาตามคำบาลีที่ท่านบ่งไว้ที่ที่สุสามเณรตวาวนาแก่กัน ว่าทิเทนวาสุเตนาวาตรีสังกายวาหมายความว่าการอยู่ร่วมกันในระยะไกลมาสามเดือนหรือฆราวาสญาติโยมที่มาเขวัดเขวางจําศีลเทวนาเหมือนกันก็มีการเทวนาถึ่งกันและกันการเทวนานี้ s องค์สมเด็จพระสินนสีสัมมาสัมพุทธเจ้าหือเป็นของสําคัญอย่างหนึ่งจนถึงกระว่าแทนอุโบสดได้ ธรรมดาที่สุอยู่ในศาสนาสิบห้าวันท่านให้ทำอุโบสถสังฆกรรมผลหนึ่งถ้าหากไม่ทำละหลวมเหลืงไปทางพระวินัยท่านก็กลับอาบัติต่อมาถึงสมัยวันนี้เป็นวันต ว, วรนาท่านก็ป ว, วรนาแทนอุโบสถจึงว่าเป็นของสำคัญทำป ว, วรนานั้นทื่ว่าทิเทนวาจุเทนวา การได้เห็นก็ดีการได้ยินก็ดีปริสังกายวา่าหรือมีการสงสัยในกันแลกกันก็ดีให้สุกเตือนว่าเจา้าบอกสอนกันได้ผู้ที่รับบอกเล่าก็ต้องทําในจิตในใจคงตนส่วนใดที่ผิดจากศีลจากธรรมก็ให้ระวังสังวรต่อไปคำภาวนานี้เป็นของสาคัญเพราะทุกท่านทุกคน ย่อมีความผิดาพาาดเป็นธรรมดาไม่ว่าตั้งแต่มนุษย์ผุทุชนแมือริยชนก็มีการผิดาพาาดเป็นบางอย่างบางอันอีกเหมือนกันเหตุนั้นเราทุกท่านที่มาในวันเจรินาวันนี้ก็จงพากันยินิย์พื่จะน่ถึงความสั่วช้าลามกหรือความดับความดีของตน เพราะเหตุว่าถ้าหากเราไม่พิจรารณาซึ่งตนของตนและบุคคลผู้อื่นเราจะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าความทั่วชาลามกหรือความเสียหายเป็นมาอย่างไรเราต้องพิจรารณากําหนดกายกําหนดวาจากําหนดใจของเราเพราะความทั่วชาหรือความดีทั่วไปจะเกิดขึ้นจากกายจากวาจาจากใจทั้งนั้นนี่ถ้าลวกไหลมาจากสถานที่อื่นเกิดขึ้นจากสถานที่นี้เกิดนั้น การที่เรณาหรือการโตนาซึ่งกันและกันให้บุคคลผู้อื่นตักเตือนว่าเก่าบอกสอนตนหมายความว่าเราเองไม่สามารถที่จะรู้จะเข้าใจความชั่วช้าลามกหรือความเสียหายของตนบุคคลผู้อื่นซึ่งอยู่ภายนอกอาจจะรู้จะเข้าใจจะเห็นจะได้ยินความชั่วช้าลามกของเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นก็เป็นได้เมื่อเราโตนาท่านเห็นความชั่ว หรือใดยินความทั่วความเสียอย่างไรมีในตัวของเราท่านจะได้แนะนําหรือเอาความทั่วนั้นออกจากให้ออกให้เราได้ถ้าท่านตักเตือนบอกสอนเราจะได้กําหนดหรือพิณิชิตเรณาตามหากเราไม่มีการภาวนาซึ่งกันและกันเช่นเลยใครผิดก็ผิดอยู่อย่างนั้นคนอื่นไปตักเตือนบอกสอนเตือนโปรดแทนขึ้นอย่างนี้ก็ไม่มีใคร ไหนเขาจะมาแนะนําบอกสอนตนเพราะตนคือว่าตนถูกแล้วตนดีแล้วคนอื่นแก้ต้องไม่ได้ใช่ไม่ได้ชาตเป็นอย่างนั้นเศรษฐนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ไห้ภิกษุสามเณรสู่รักษาพระพุทธศาสนาปวาณาสึ่งกันและกันเพราะว่าตมายอมผู้ที่ถือพระพุทธศาสนาก็ควรอย่างยิ่งที่จะปรวาณาสื่งกันและกันไว้ราะ ความเสียหายผิดาพาดย่อมเกิดมีบางการบางเวลาเหมือนกันเรารักษาพระพุทธศาสนาเรารักษาคุณงามความดีหากไม่มีบุคคลผู้ใดเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเพื่อนแนะสอนให้หรือบอกสิ่งที่ถิดแนะสิ่งที่ถูกให้เราเข้าใจว่าเราทำถูกโดย่ายเดียวไม่แเลเหลียวถึงบุคคลผู้อื่นไม่ได้มา แนีมาสอนตนว่าเขาปฏิบัติอย่างไรเขาประบัติอย่างไรเขาจึงเป็นไปเถอะความก้าวหนะ้าเป็นไปเถอความยดีความดีภายในกินในใจของเขาแต่เราไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นว่าเคยอย่างไรกทะทำกันอยู่อย่างนั้นควรเิดยรธาต์เสียหาอย่างไรไม่ยอมแก้ไข ถ, ถ้าหากเราเป็นคนอย่างนี้จะไม่มีวันมีเวลาถ้าหากิ้ แล้วก็ไม่มีบุคคลผู้ใดจะมาตักเตือนได้เหตุนั้นการตภาวนาซึ่งกันและกันซึ่งเป็นของสําคัญสมควรอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะภาวนาซึ่งกันและกันไว้เพราะการภาวนากันหลายท่านหลายคนหลายหูหลายตาอาจจะรู้ความทั่วช้าลามกความเสียหายของเราท่านจะได้แนะให้สอนให้ผู้ใดอุตสาหพยายามฟัง ทำแนะสอนของบุคคลผู้อื่นทีนี้ที่จะรายนาในจิตในใจของตนเขียนว่าทำแนะสอนของเขาเต็นไปด้วยเมตาตาจรูญเต็มไปด้วยผลประโยชน์ก่อละสิ่งที่เป็นโทษที่เราเคยทำเคยพูดเคยคิดนั้นนั้นประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เขาแนะสอนเราก็จะเป็นคนดีคนดีขึ้นได้ถ้าหากไม่อย่างนั้นอะไรที่เราลงไปใครจะแก้ไขใครจะแนะสอนเราไม่ยอมเอา เพราะเราถือว่าเราทำถูกคนนั้นจะมีแต่ความสิท ต, ตลอดชีวิตไม่ใช่แต่ในชาตินี้ชาติข้างหน้าก็จะเหมือนกันมันมีวันมีเวลาที่จะแก้ไขตนได้เหตุนั้นการสรวนาซึ่งกันและกันจึงเป็นของสําคัญพวกเราไม่ควรที่จะนอนใจควรจะภารนาซึ่งกันและกันไว้เพื่อจะให้เป็นหูเป็นตาดูแลรักษาความเสียหาย การเสืส่อมชาลามกต่างๆให้ตัวของเราเพราะเมื่อเราบอกกล่าวหรือปรนรณาเข้าไปคนที่เป็นนิสเนจิตเนตตาในเราจะได้แนะสอนเราถ้าหากเราไม่เปิดประตูให้คนอื่นจะแนะสอนอย่างไรเขาก็ไม่กล้าแนะสอนเพราะไม่ใช่ญาตินิสของเขาหรือจะเป็นญาตินิสของเขาก็เหมือนกันเขาก็ เลยพอใจเกิดนั้นการปภาวณาซึ่งกันและกันซึ่งเป็นของสําคัญอย่างที่สุสามะเนนอยู่จําพรรษาร่วมกันในปีหนึ่งหในพรรษาหนึ่งหนึ่งมีการภาวนาซึ่งกันและกันผลหนึ่งนอกจากนั้นการภารณากันในสถานที่ต่างๆก็เคยตภาวนาไวเหมือนกันบางท่านบางองค์ซึ่งเคยเป็นครูบาอาจารย์หรือเคยเป็นเพื่อนที่ไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ปละภานากันตลอดวันตายได้ยินกิติจศักิกจิคุณความเสียหายอะไรตักเตือนกันได้ว่าตาวกันได้นี่คือเป็นหูเป็นตาแทนกันเพราะคนที่จะมาจิตชินนินทาว่าตาวต่อหน้าต่อตาบางทีไม่มีแต่รับหลังเขาพูดอย่างนี้เคยได้ยินบ่อยเหมือนกันแต่เมื่อพูดต่อหน้าก็ไม่กล้าที่จะพูดเมื่อเป็นอย่างนั้นคนอื่นที่ในใจเจ้าของขอ ง, องเรื่อง เขาได้ยินใน้ฟังเขาก็มาบอกเราหรือ ม, มาตักเตือนเราให้เราได้ละความสั่วชาลามกเหมือนนั้นนี่แหละเรืร่องปวายนาเป็นมาอย่างนี้วันนี้จึงเป็นวันสําคัญที่พวกชาวพุทธาศาสนาถือกันว่าเป็นวันมงคลถือกันว่าเป็นวันพิเศษเหตุนั้นพวกชายกชายยตาไม่ว่ารุ่นหนุ่มสาวหรือเด็กตลอดผู้เฒ่าผู้แก่จึงมีหนาะหูหนะ้าตา มากกว่าวันพระธรรมดาเพราะว่าถือวันนี้เป็นวันบวรณาเป็นวันออกพรรษาถือเป็นการเป็นเวลาที่สําคัญอันหนึ่งผู้ที่ได้มากระทําบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้จึงได้ชื่อว่าทําบุญทํากุศลตามการตามสมัยบุญกุศลที่ตนท่องตนทําลงไปก็ได้รับความสุ่มชื่นเบิกบานใจเพราะพรรษา น, นี้ได้ไปทําบุญตัก บ, บาตร รวมกับหมู่กับคณะหรือแต่ไปไหว้พระสวดมนต์รวมกันในวัดนั้นวัดนี้นี่เป็นความนึกคิดในจิต ใ, ในใจของเราถ้าหากเราไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ทําบุญทําทานการสุ่ยสนอะไรทีนี้ <c oughs> ออกภาษาเราไม่ได้ทำทุน ง, งานความดีอะไรเมื่อกระลึกนึกขึ้นก็จะเสียจิตเสียใจอันนี้เราทุกคนไม่เป็นอย่างนั้นเรา ได้มาทําบุญทํากุศลทางตายเราก็ได้ให้ทานสาบวใบพระศิษฏุสามมนีสาบ่ายพระรันตนใจทางวาจาเราก็เต่งออกไปถึงพุทธทางธรรมังชังทางหรือไหว้พระสวดมนต์ทางใจเราก็ระลึกลึกถึงบุญถึงกุศลที่ตอนองตอนได้อบรมกระทาบําเพ็ญได้ชื่อว่าทั้งสามทาวานของเราคือตายสบาจาใจได้แต่ทำํำคุณงานความดีตามกําลังความสามารถของเราในวันนี้ เกิดนั้นความดีทางพระผู้ใช้ศาสนาท่านกล่าวว่าเป็นบุญเป็นกู่สนอาจจะนำตนข่องตนใหได้รับความสุขในภพนี้และภพหน้าเกิดนั้นจึงสมกับพระสิทธ์ที่ยกขึ้นโดยส่วนว่าสุขโภพุณยะส า, าอุทชโยผู้สะสมซึ่งบุญย่อมได้รับความสุขการสะสมซึ่งบุญซึ่งบุญเราจะสะสมอย่างไร ก็อย่างพวกเราแต่ทําบําเพ็ญอยู่นี้แหละได้ชื่อว่าการสะสมบุญการให้ทานก็ได้ชื่อว่าการสะสมบุญสึ่งในตนของตนการรักษาศีลก็ได้ชื่อว่าการสะสมสึ่งสิ่งบุญการเมตตาภาวนานหรือไหว้พระสวดมนต์ก็ได้ชื่อว่าการสะสมสึ่งสิ่งบุญซึ่งกุศลเหมือนกันบุญกุศลส่วนนี้แหละจะเป็นอนุคานี้มี่ิตตนตามตัวไป ในพบน้อยพบใหญ่เพราะบุญกุศลที่เราทำไปตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม้ไปสถานที่ใดบุญกุศลย่อมตามส่งไปให้ได้รับความสุขกายสุขใจตลอดเวลาเหตุนั้นบรรดิตั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงแนะสอนให้พวกเราทุกคนอุตสาห์พยายามอบรมบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนของตนไม่อย่างนั้น จะเสียใจที่ว่าเราไม่มีบุญมีกุศลแต่เมื่ใดบุญกุศลเมื่อเราในชีวิตเป็นอยู่จึงไม่อุตสาห์พยายามทําเอาเมื่อตายไปแล้วเกิดชาติใหม่ไม่เป็นอย่างเขาเราเสียใจว่าบุญกุศลไม่โ่งให้หรือเกิดไม่สมหวังเกิดในตระกูลยากชนเกิดมาเป็นคนก็ไม่ ก่อสมบูรณ์บุญศุกอย่างเข า, ก, าก่อควาบุญกุศลของเราไม่เพียงพอบอริบูรณ์เราเป็นคนประมาทวันพระวันเจ้าเขาพาทาบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเราก็าเข้าป่าเข้าลกึกไปสถานที่อื่นเสี้คิดอย่างอื่นเสี้ทําอย่างอื่นเสี้เมื่อเวลาได้ผลได้กาไรก็ยาได้อย่างเขาแต่เหตุของเราไม่ได้สร้างเอาไว้กําไรมันจะเกิดขึ้น อย่างไรได้เพราะไม่มีเหตุย่อมไม่มีผลพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเหตุนั้นเราทุกท่านที่อุตสาห์พยายามมาแต่ทำบาเพ็ญคุณงามความดีวันนี้จึงได้ชื่อว่าเรามาสะสมขึ้นซึ่งบุญซึ่งกุศลจะเป็นที่สึ่งท้องตนให้ได้รับความสุขความเจริญในโลกนี้และโลกหน้าธรรมดาบุญกุศลท้าหาสิ้นสถิตอยู่ในบุคคลผู้ใดผู้นั้นจะมีความสุขกายสุขใจ ได้อะไรมาก็สงหวังเพราะบุญกุศลเป็นของที่ทุกคนไม่ว่าแต่บุคคลแม้แต่สัตว์ก็ปรารนะถนาเพราะความสุขเป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกท่านทุกคนสัตว์ก็ยังปรารถนาะไม่ว่าแต่มนุษย์ความสุขที่จะมีขึ้นได้นอกจากการปฏริทิณงานความดีไม่มีทางอื่นที่จะเกิดขึ้นได้ เกิดนั้นการประพฤติงานความดีขวงเราทุกท่านในวันนี้ก็ได้ทาการพยายามจะทําบําเพ็ญตามนาทีของตนที่ได้แต่ทาบําเพ็ญมาก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญเนตตาภาวนาในใจชื่อว่าเป็นทางบุญทางผุ้ผลที่ทุกคนได้อบร ม, มแต่ทํามาแต่เชื่อว่ามากน้อยหรือสูงต่ําแล้วแต่กําลังจิตกาลังใจกําลังสัจธาของตน บ, บังคับบัญชากันไม่ได้ใช้ยาได้มากก็ อ, อุตส่าพยายามทำให้มากขึ้นใช้ยาได้น้อยก็ทำแต่เพียงนิดหน่อยแต่เ้าว่าเรื่องทำนิดหน่อยผลที่ได้รับใจรักษาความเคียนไว้ใจที่นึกคิดเป็นของํำคันที่กายจะไปทำไปปราจาจะไปพูดก็ออกจากเรื่องของจิตใจใจคิดนึกไปในทางใดก็มักอยากจะพูดจะทาในทางนั้น สันนั้นเรื่องสติคอยรักษาและการนึกคิดอย่างนี้เป็นทางดีทางชั่วอย่างไรปัญญาคอยแนะนำหากเป็นทางผิดความชั่วจะติดตัวเรื่อยไปเราไม่ต้องการความชั่วเราไม่ต้องการความทุกข์เราไม่ต้องการควรา ม, า เ, ามาเดือดร้อนทําไมไปนึกคิดอย่างนี้สอนจิตสอนใจของตนในหน้เห็นเหตุเช่นผลใจเมือ่อรู้เมื่อเห็นเหตุผล ชัดเจนแล้วจะยอมจำนวนไม่ยอมคิดยอมพรุงไปในทางชั่วสิ่งใดเป็นทางดีที่จะทำความสงบให้จใจใจทำไปแล้วมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความปีติเต็มใจมันกระทำบำเพ็ญมันสะสมอรวมส่วนนั้นให้มากขึ้นจิตที่เคยได้รับความสงบเยือกเย็นได้รับความผ่องใสด้วยอุบายดีใดรักษาเอาไว้อย่าให้เสื่อมให้เสียไปนี่เรียกว่าความเทียน พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นขรือหัดหรือบรรพเิตถ้าผู้ใดสมใจละชั่วบาเพ็ญดีอยู่อย่างนี้ได้ชื่อว่าผู้มีความเทียนพยายามทำความเทียนคือละชั่วในตัวให้หมดไปใจที่เ้ยโลภเคยโกรธเคยหลงมันสำระาตาสางเพราะเป็นเรื่องที่จะนามาถึงความชั่วต่างๆ ใจที่ไม่โลภมีความสุขอย่างไรในโกรธมีความสุขกายสุขใจอย่างไรไม่หลงมีความสุขอย่างไรจะรู้จกเข้าใจในเมนื่อผู้นั้นทีนิพพิจรารณาแล้วรักษาจิตใจไว้ไม่ให้โลภให้โกรธให้ใหลงไปในอารมณ์ต่างๆตาได้เห็นก็อย่าไปรุ่มหลงในรูปหูได้ฟังก็อย่าไปรุ่มหลงในเสียงพิจรารณา ในจิตของตัวรู้เท่าในชื่อว่าปัญญารู้รอบในเรื่องต่างๆเมื่อรู้รอบในสิ่งต่างๆได้ใจจะต้องสบายใจที่ไม่มีโรคใจที่มีโกรธใจที่ไม่มีห ล, ลงก็เหมือนกันกับกายที่ไม่มีโครคไข้ขเจ็บเหมือนกายที่ไม่หิวโดยอะไรจะทำอะไรก็สะดวกสบายจะนัง่งจะนอนก็มีความสุขกายไม่มีโรค ก, กายไม่ มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเป็นอย่างนั้นใจของพวกเราท่านก็เหมือนกันเมือ่อกำจัดโรคกวดหลงออกไปกำจัดความชั่วออกไปใจจะพ่องใสใจจะเยือกเย็นใจจะเป็นสุข